ขอ้วก็มาลินะครับแล้วก็ขากัพระอาจารย์ทุลินนะครับแล้วก็รับขากาพุธตมิกทุกรูปแล้วก็เจริญพรมาอย่างไม่ชีแล้วก็ญาติธรรมผู้เฝยศีลเผยธรรมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าอ่าเป็นวันที่30สเนาะอ่าวันที่3ามสิบ เมษาเนอะก็ถือว่าผู้ปฏิบัติธรรมก็มาปฏิพัติปฏิบัติหลายวันแล้วนะทุกท่านก็ข อ, อนมโมธนากับทุกท่านด้วยนะฮะที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมนะอย่างที่หลวงพ่อมหาได้กล่าวนะวิภัสนาอุทิศนะเพื่อระลึกนึกถึงนะผู้ทีนะ่มีธรรมะในะว่า นึกถึงอาจารย์กำพลนะที่ท่านได้ละสังขารไปนะก็จริงแล้วอาตมาก็เป็นยังถือว่าเป็นพระใหมนะ่ก็ยังเป็นพระใหม่แต่ก็ได้ถือว่าได้มีโอกาสอยู่มาช่วยหลวงพ่อนะที่วัดท่ามวยหวานนะก็ถือว่าก็ จริงๆอาตมามารับหน้าที่นี่ก็ก็อาจจะได้รับความไว้ใจจากหลวงพ่อนะแต่อาตมา ก, ก็ก็ไม่มีประสบการณ์มากนะหรือว่าอาจจะอาจจะไม่มีคนมาทำงานในส่วนนี้นะอาตมา ก, ก็ได้ได้มาดูแลนะ ดูแลช่วยหลงพ่อที่วัดท่ามาไฟหวานนะหลวงพ่อก็เห็นว่าเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อใจใส่ดีแล้วก็ญาติโยมก็เออก็เชื่อใจเนะาะญาติโยมก็มีคนออสัทยาเชื่ อ, อ, อว่าจะอยู่ดูแล ว, วดัดภูกทองได้เนาะหลวงพ่อก็เลยเออให้ดูแลแทน ก็ตมาก็ยังถือว่ายังเป็นผู้ใหม่นะบวชไม่กี่พรรษาเนาะอยู่ที่สุโกโตนะก็ได้นะไประโยชน์ที่วัดพ่ามหาวันนะสุโกโตก็สปีนะประโยชน์ที่วัดพ่ามหาวันก็ปีหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่ยวันท่ามาไฟหวานมาดูแลให้หลวงพอ่อจีบวันท่ามาไฟหวานก็การปฏิบัติธรรมก็คิดว่านะ ทุกท่านนะก็คงจะเหมือนๆกันน ะ, ะเพราะว่าหลวงพ่อก็แนะนำอยู่เสมอว่าถ้าหลงแต่หลงนี่ก็ไปคนละคนแต่ถ้ารู้นี่ก็อันเดียวกัน อ, อย่างครูบาอาจาก็รู้อย่างเดียวกันถ้ามีสติเนี่ยถ้ามีสติ อย่างครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อมังคีนก็ตามนหะลวงพ่อมหาก็ตามน ะ, ะถ้ามีสตินี่เป็นคนคนเดียวกันรู้อย่างเดียวกันนะปเป็นสัจธรรมนะแต่ถ้าลงนี่ก็ไปคนละทางเพราะว่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครที่จ ะ, ะมีวิถีชีวิตหรือ ว, ว่ามีก็เรียก ว, ว่าอะไรมี ประสบการณ์หรือว่าสัญญาแต่ละพูกแต่ละคนหรือว่าเจ้ากรรมกร็ได้แต่ละท่านแต่ละคนที่สั่งสมมานะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามนะถ้าเกิดเรามีสติหรือว่าการอยู่กับปัจจุบันนี่ยนะเราก็จะรู้อย่างเดียวกันนะเราก็จะเห็นแบบเดียวกันนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการเจริญสตินี่ย จะใหะ้เราจะได้กลับมานะกลับมาอยู่กับปัจจุบัน อ, อย่างที่เร า, เามีความโกรธนะบางคนก็อาจจะมีาราค ะ, ะจลิตโทสะจริตหรือว่าบางคนก็เป็นคนที่โกรธง่ายนะบางคนก็เป็นคนที่ เ, เครียดแค้นเป็นคนพยาบาทนะก็แล้วแต่ จิตแต่ละท่านแต่ละตนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีสตินะนะทุกคนก็จะอยู่เป็นปกตินะตัด